ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนเมษายนซึ่งเดือนเมษายนในประเทศไทยก็มีความหมายสองอย่างก็คืออย่างหนึ่งก็เป็นช่วงเทศกาลอีสเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เทศกาลอีสเตอร์ก็ตรงกับเทศกาลสงการในประเทศไทยซึ่งเทศกาลอีสเตอร์ก็เป็นความหวังใจของเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนคือพิเศษชีวิตได้เป็นขึ้นจากความตายทําให้เรามีชีวิตอย่างมีความหวังและมีชีวิตอย่างมีความหมาย อีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเราที่เป็นคนไทยและเป็นคริสเตียนด้วยก็คือเทศกาลสงการซึ่งเป็นเทศกาลที่เราส่วนใหญ่จะเดินทางกลับบ้านเพื่อไปคารวะบุพการีหรือบิดามารดาซึ่งมีพระคุณต่อเราในการที่เราเติบโตขึ้นมาก็จัดได้ว่าเดือนเมษาเป็นเดือนครอบครัวนะฮะกรณีที่พ่อแม่ายางอายุไม่มาก เราก็อาจจะเดินทางท่องเที่ยวนะฮะวันหยุดยาวก็หลายคนเดินทางไปต่างประเทศไปเกาหลีไปญี่ปุ่นหรือคนที่มีฐานะมากหน่อยก็อาจจะเดินทางไปถึงประเทศในยุโรปแต่คนที่มีข้อจำกัดก็อาจจะอยู่ในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่นะครับเรื่องครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่งในประคิดสามคำพีเราจะเห็นว่าสถาบันครอบครัวเป็น สาบันแรกที่ได้กล่าวหรือบันทึกไว้ในตอนที่พระเจ้าทรงสร้างโลกในพร ะ, ระธรรมปฐมกาลพระเจ้าสร้างมนุษย์เป็นผู้ชายและเป็นผู้หญิงพงไม่ได้สร้างมนุษย์เป็นผู้ชายผู้หญิง เ, เฉยแต่พงสร้างแล้วพงก็อวยพรบอกว่าให้มีลูกดกทวีขึ้นทั่วแผ่นดินและคําอวยพรนั้นก็บอกเรารู้ว่าพระงมีพระประสงค์ให้มนุษย์นั้นมีครอบครัวมากมายในแผ่นดินโลกหลายคนอาจจะเป็นห่วงว่าถ้าลูก เรามีเยอะแยะแล้วจะทำไงจะมีอาหารพอกินไหมอากาศพอหายใจไหมแต่ทุกวันนี้เรื่องนั้นมันหมดประเด็นไปแล้วมีประเด็นใหม่ก็คือว่าไม่ค่อยมีเด็กเกิดในปัจจุบันนี้หลายคนไม่แต่งงานหลายคนไม่อยากมีลูกหลายคนเริ่มมีปัญหาในระดับประเทศก็คือว่าประเทศญี่ปุ่นเขาติดลบหมายถึงว่าเด็กเกิดน้อยมีเด็กไม่พอต่อไปไม่มีใครจ่ายภาษี ประเทศไทยก็เริ่มสู่ยุคไม่ใช่สี่จุูนเท่านั้นเองแต่ยุคอาจจะหนึ่งร้อคือเราจะมีผู้สูงวัยอายุมากกว่าหนึ่งร้อปีในอนาคตอัในใกล้นี้แล้วก็จะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากกว่ า, าคนที่อายุน้อยคนวัยทำงานก็จะน้อยลงแต่คนที่จะต้องการการดูแลใจใสเนี่ยมากขึ้นแต่นอก่างนั้นเราพบว่าเมื่อพระเจ้าอวยพรมนุษย์เนี่ยก็มี มารซาตานที่ไม่อยากให้มนุษย์ได้ผ่อนก็ได้มาล่อลวงอาดัมและเอวาและการล่อลวงนั้นล่อลวงเอวาเมื่อเอวาอยู่ตามลําพังแล้วก็ให้เอวาทาบาดด้วยการไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็อาดัมก็หลงไปด้วยกันะฉะนั้นสาบัญครอบครัวนี่ถูกมารซาตานเล่นงานตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ๆยังไม่ทันมีลูกก็ถูกเล่นงานแล้วต่อมาเมื่อมีลูกก็คือมีคายินกับเอเบล มาซาดารันก็เล่นงานโดยใช้ความอิจฉามาเล่นงานทำให้คายิ น, นยอิจฉาเอเบลและวก็ฆ่าเอเบลซึ่งเป็นน้องชายตายนะฮะเพราะฉะนั้นสาบานครอบครัวเนี่ยถูกเล่นงานตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อมนุษยชาติได้เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามาซาตาร์ไม่ปล่อยให้สาบานครอบครัวี่ยอยู่เฉยเฉยม่ต้องหาช่องว่างเพื่อทายสาบนครอบครัวแล้วสาบนครอบครัวเมื่อ ตกอยู่ในความบาปแล้วก็ไม่สามารถเป็นสถาบันครอบครัวตามที่พระเจ้ามีพระประสงค์ให้เป็นนะครแต่ทิ่งที่เรายังขอบคุณพระเจ้าก็คือว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งสถาบันครอบครัวแล้วก็ไม่ได้ทอดทิ้งมนุษย์พงค์ยังเอาใจใส่มนุษย์ที่พงทรงสร้างเพราะว่าพงทรงสร้างมุษยตามพระฉายาของพระงห้ามการความวุ่นวายมากมายความบาปมากมายในโลกนี้พระเจ้าได้ให้ บุคคลหนึ่งที่พระเจ้าเลือกเป็นทางเลือกให้กับมนุษย์เพื่อจะช่วยให้มนุษย์ได้รับความรอดพระเจ้าได้เลือกผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าอับราฮัมอับราฮัมผู้นี้เป็นใครเราก็ไม่รู้นะ ม, มารู้ก็ดูจากความพีไม่ได้พูดชัดว่ า, าทำดีมากน้อยแค่ไหนไม่เหมือนกับโยบอ า, อาจจะอยู่สมัยเดียวกับโยบอับราฮัมกับโยบอับราฮัมนี่ไม่ได้บอกอว่าเป็นคนเชื้อชาติตระกูลพิเศษอะไร เพียว่าพระเจ้าเรื่องอับรามออกจากบ้านเกิดมึงนองของตัวเองนะฮะแล้วก็เมื่อพระเจ้าเลือกอับรามเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คืออับรามไม่มีลูกแต่งงานแล้วแต่ไม่มีลูกแต่พระเจ้าก็สัญญาพระธรรมว่าถ้าอับรามออกจากครอบครัวมาพระเจ้าจะตั้งให้อับรามเนี่ยเป็นชนชาติใหญ่จะเป็นชนชาติใหญ่ได้ไงในเมื่อยังไม่มีลูกแล้วก็เมื่อไม่มีลูก อาพรามก็ยังเชื่อในคําสัญญานั้นแล้วก็คอยเล่าคอยเล่าลูกก็ไม่เห็นเกิดจากนางซาราที่เป็นภรรยาของตัวเองทั้งทีอาพรามและซาราด้วยความหวังดีก็อยากจะช่วยพระเจ้าเลยให้อาพรามเข้าไปหลับนอนกับนางฮากาทําให้เกิดอิชมาเอลแทนที่จะเกิดผลดีกับเกิดผลร้ายจนกระทั่งทุกวันนี้เรารู้ว่าทําไมประเทศในตะวันออกกลางยังลบกันอยู่ก็เพราะว่าอิชมาเอลกับ อ, อิสหะเป็น คนละคนที่พระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เลือกแต่มนุษย์อยากจะช่วยพระเจ้าก็ทําให้เกิดเชื้อสายอิสมาเอลขึ้นมานะครับสิ่งที่น่าสนใจถึงแม้ว่าอับราฮัมจะทําในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บอกให้ทําแต่พระเจ้าก็ยังคงรักษาสัญญาของพระงค์ก็คือในที่สุดเมื่ออับราฮัมอายุหนึ่งรปีพระเจ้าก็ประทานอิสฮัตให้กับอพระมผ่านานางซารา ซึ่งอายุมากแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะมีลูกได้นะครับแต่พระเจ้าก็ทำการอัจรรย์แล้วพระเจ้านอกจากเลือกอับรามแล้วพระเจ้าก็ยังเลือกอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเมื่ออิสหัตเนี่ยมีลูกแฝดนะฮะอยู่ในท้องของนางราเชลเนี่ยอับรามถูกเลือกมาคนเดียวแต่ตอนนี้เมื่อเลือกอิสหัตแล้วก็มีลูกแฝดพระเจ้าก็ยังเลือกหนึ่งในสองไม่เลือกทีเดียวสเลือกคนเดียว ก็คือพระเจ้าเลือกยาโคบตั้งแต่ยาโคบยังไม่เกิดเลยบอกว่าน้องจะอยู่เหนือพี่ยาโคบไม่ได้เป็นคนดียาโคบไม่ได้เป็นคนที่น่ายกย่องแต่วัยเด็กยาโคบเป็นคนที่โกงความจริงถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยพระเจ้าน่าจะเลือกเอสาวมากกว่าเพราะว่าเอซาวเนี่ยเชื่อฟังบิดามารดาเอสาวเนี่ยพ่อบอกว่าอยากกินเนื้อสัตว์อาภธรรม ขอโทษอิสยาหเนี่ยแค่บอกว่าอยากท่านั้นเองเอสาวก็ออกไปล่าสัตว์ให้แลในขณะที่เอสาวกำลังล่าสัตว์เนี่ยยาโคบก็ปลอมตัวมาเป็นพี่ชายแล้วก็ขี้โกงเอาสิทธิบุตรัวปีมาถ้าดูแล้วพระเจ้าไม่น่าเลือกยาโคบเลยเพราะว่ายาโคบเนี่ยไม่ได้ทำตามพ่อพ่อเนี่ยรักเอสาวมากกว่าแต่พระเจ้าก็เลือกยาโคบตั้งแต่ยาโคบ อยู่ในท้องดังนั้นคําว่าการเลือกเนี่ยก็เป็นสารศาสตร์สำหรับคริสเตียนเราก็คือว่าการที่เรามาเป็นคริสเตียนไม่ใช่เพราะว่าเราดีหรือวิเศ ษ, ษแต่เพราะว่าพระเจ้าเลือกเราอันนี้เป็นพระคุณที่ปีนี้เป็นปีที่เราเรียกว่าฉลองครบรอบ500ปีของโปรเตสแตนต์ในโลกนี้แล ะ, ะสารศาสตร์หนึ่งที่สําคัญก็คือพระคุณและการทรงเลือกของพระเจ้าที่ทําให้เราได้รับความรอดไม่ใช่เพราะเราทําดีหรือไม่ใช่เพราะว่าเรา มีบุญคุณอะไรกับพระเจ้าและพระเจ้าไม่ต้องให้เราช่วยอะไรแต่พระเจ้ามีแผนการล่วงหน้าสําหรับเราทั้งหลายพระเจ้ามีแผนการสรับยาโคบที่จะเป็นชนชาติใหญ่ตามคําสัญญาที่ให้ไว้กับอับราฮัมแล้วก็ในสุดวันหนึ่งเนี่ยด้วยความยากลาบากเกิดการดานอาหารชนชาติอิสราเอลต้องย้ายเข้าไปอยู่ในอียิปต์และที่อียิปต์นั่นเองจํนานวนประชากรของ อิสเซลหรือยาโคบลูกหลานของยาโคบเนี่ยเพิ่มอย่างมากมายตอนที่โยเซฟยังมีชีวิตอยู่พวกเขาก็อยู่อย่างมีความสุขได้รับสิทธิพิเศษมากมายแต่พอโยเซฟตายไปแล้วพวกเขาที่มีจํานวนมากไม่ได้ช่วยเขาการมีจํานวนมากทําให้คนอียิปต์เนี่ยใช้พวกเขาเป็นทาสและเป็นทาสอยูอ่ประมาณสี่รอยปีนะฮะในสุดพระเจ้าส่งโมเสสนะไปช่วยให้ชนชาติอิสเซลออกจากอียิปตเพื่อไป แผ่นดินแห่งพันธัญญาและในหาะที่พวกเขากําลังจะเข้าในแผ่นดินพันธัญญาพระเจ้าได้มีคําสั่งตามที่เราได้อ่านพระน้าของพระเจ้าไปและก่อนที่จะเป็นคําสั่งที่พูดถึงลูกหลานเนี่ยพระเจ้าบอกว่าพวกเขาจะต้องรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดของพวกเขาการรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจเนี่ย ก็คือความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งที่แน่นแฟนเป็นความสัมพันธ์ที่ผูกพันระหว่างคนอสิสราเอลก <LEGO S 1> <skill> ับพระเจ้าไว้ตัวชี้วัดของความรักที่มีต่อพระเจ้าเนี่ยคืออะไรนะฮะตัวชี้วัดคือการที่คนหนึ่งคนใดที่รักพระเจ้าจริงๆแล้วก็จะทําตามสิ่งที่พระเจ้าบอกทําตามสิ่งที่พระเจ้าบัญชาไว้นะฮะการที่จะทําตามสิ่งที่พระเจ้าบอกหรือสิ่งที่พระเจ้าบัญชาไว้ได้ก็คือจะต้อง ใส่ใจในสิ่งที่พระเจ้าบอกหรือต้องการให้เราทำํำเราจะรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราทําอะไรได้ก็ด้วยการอ่านพิจารณาของพระเจ้าพิจารณาของพระเจ้าคือน้ําำใจของพระงค์ที่เปิดเผยและน้ําไใยของพงเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับน้ำใจของพงเป็นกฎกติกาที่ให้กับเราดําเนินชีวิตหลายครั้งเมื่อเราอ่านพ่องพีเฉยเฉยเราจะไม่เข้าใจว่าทําไมพระเจ้าถึงบอกให้เราทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ นะยกตัวอย่างเช่นทําไมต้องรักษาวันสบาโตนะฮะจริงๆแล้วปัจจุบันมีคนจนํานวนมากพูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วสุขภาพเนี่ยมีหลายอย่างมีเรื่องอาหารมีเรื่องการออกกําลังกายมีเรื่องการนอนหลับพักผ่อนแล้วมีนักเขียนท่านหนึ่งที่มีส่วนในการทําพิ่มพีเรียกว่าวิธีจัดการด้านการเงินเนี่ยเขาได้ข้อคิดไว้น่าสนใจมากเขาบอกว่า การที่คนหนึ่งคนใดเนี่ยอนอนหลับพักผ่อนประจำวันเนี่ยไม่ให้เป็นเรื่องยากเพราะว่าเมื่อเราอ่อนเพลียเราง่วงนอนเนี่ยเราก็จะนอนหลับนั่นก็คือการพักผ่อนประจำวันแต่สิ่งที่ยากมากที่มนุษย์เราไม่ค่อยทาหรือทำไม่ค่อยสำเร็จก็คือการที่ในเจ็ดวันเนี่ยหยุดหนึ่งวันเป็นสิ่งที่ยากมากนะแต่ว่า พ่อมพีเนี่ยได้อธิบายเรื่องเนียไว้ค่อนข้างเยอะเมื่อเราอ่านบรรยัญญสิปการในพระธรรมอุปยบบทที่2ี่เนี่ยจะพบว่าบางข้อเช่นห้ามขโมยห้ามลักทรัพย์อะไรเนี่ยมันเขียนแค่ห้ามแค่เนี่ยแล้วก็จบไม่ได้อธิบายเลยแต่พอถึงวันสบาโตเนี่ยเขียนไว้ต้องสี่ข้อแสดงว่าพระเจ้าทรงทราบแล้วล่ะว่าพวกเราเนี่ย คงไม่ค่อยอยากรักษาวันสบาโตโด้วยความคิดของเราเนี่ยเรื่องการรักษาวันสบาโตมันไม่ไม่ไม่ไเมคเซนแล้วมันไม่เข้ากับชีวิตประจำวันของเราและระบบความง่วงนอนของเราก็ไม่ง่วงนอนทุกวันเสาร์ฮะไม่ง่วงนอนทุกวันอาทิตย์เราก็ยังนอนปกติไม่ว่าวันจันทร์วันคาน เ, นเราก็ยังง่วงนอนเท่าเดิมแต่พรพีบอกว่าให้พักหนึ่ง วันต่อหนึ่งสัปดาห์ซึ่งทายากมั้ยากมากเพราะเรายังตื่นอยู่นะฮะเรายังตื่นอยู่แต่พระพีบอกให้เราพักหนึ่งวันอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะทำตามแล้วปรากฏว่าพี่เยซูบอกว่าเอ้วันสะบาโตเนี่ยมีประโยชน์สำหรับมนุษย์น ะ, ะพระเจ้าให้วันสะบาโตเนี่ยบางคนคิดเรื่องวันสะบาโตเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ เรื่องหลังที่แบบว่าถ้าไม่ทําตามจะถูกลงโทษถามว่ามีการถูกลงโทษไหมก็มีในสายโมเสสเนี่ยข้าใครไม่รักษาวันสบาโตเนี่ยถูกหินขว้างตายแต่ดูเหมือนว่าความหมายนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าพระเยซูคริสต์เองเนี่ยถ้าเราอ่านพระกิตติคุณเนี่ยเราจะพบว่าพระเยซูคริสต์เองเนี่ยมักจะไม่ทําตามวันสบาโตแบบตัวอักษรเช่นพง์จะรักษาคนป่วยในวันสบาโตไม่ครั้งเดียว หลายครั้งด้วยดูเหมือนว่าพง์จะจงใจไม่ทำตามวันสบาโตนะแล้วพม์ก็พูดกับพวกผู้นำศาสนาในเวลานั้นว่าถ้าวันสบาโตเนี่ยมีวัวตกลงไปในบ่อเนี่ยพวกเขาจะช่วยวัวไหมพี่เยซูถามว่าในวันสบาโตจะทำสิ่งที่ดีหรือจะทำสิ่งที่ร้ายนะะพวกเขาก็ไม่ตอบเขาก็จะคอยดูว่าพี่เยซูจะทำไงพพระเยซูรักษาโรคพวกเขาก็จะตาหนิพระเยซูคริส แต่พี่ไคิดได้พูดและพ่มพีได้พูดไว้อย่างชัดเจนว่าวันสปาโต้ว่ามีประโยชน์สหรับมนุษย์แต่พวกเราไม่ค่อยเชื่อแล้วหลายคนก็เจ็บป่วยหลายคนก็ไม่สบายเพราะว่าเราคิดว่าเรายัางทนได้เรายัางทำงานได้เจ็ดวันต่อสัปดาห์หรือเราเไม่ต้องพักผ่อนเราก็อยู่ได้เพราะเรากินกาแฟกิน อ, อ, อะไรนะไม่อยากโฆษณาแต่ว่า กระทิงแดงเอ่ยอะไรเอ่ยนะสาพัดก็ทําให้เราไปต่อได้แต่ข้างในเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แต่ข้างนอกมันไปต่อได้แต่พระเจ้าให้หลักการไว้ในพัมพีซึ่งยังใช้ได้อยู่ปัจจุบันแต่หลายคนจะบอกว่ามันล้าสมัยแต่เมื่อเรามาทบทวนพัมพีแล้วเราพบว่าพัมพียังเป็นความจริงที่พระเจ้าต้องการให้เราส่งต่อพัมพีถ้าบอกให้สิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยต้องส่งต่อไปทุกยุคทุกสมัยได้แสดงว่าอะไรฮะ แปลว่าพระเจ้าเนี่ยผู้ออกแบบหรือดีไซน์ชีวิตมนุษย์เนี่ยพงเนี่ยรู้ว่าหลักการที่อยู่ในพัมพีเนี่ยใช้ได้นิรันด์ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะสมัยของคนยิวแน่นอนเราไม่ได้พูดถึงพัมพี์ตามตัวอัเป๊ะๆทุกข้อทุกเลยแต่หลักการที่พัมพี์ให้ไว้เนี่ยยังใช้ได้อยู่ถ้าใช้ไม่ได้พระเจ้าบอกว่าสักสามสี่ชั่วอายุคนก็พอแล้วล่ะไม่ต้องสอนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพงจะประทานธรรมบัญญัติใหม่ให้ แต่พวกมึงบอกว่าสิ่งที่สอนเนี่ยให้สอนต่อไปยังลูกหลานแสดงว่าอะไรหลักการของพ้อมปเนี่ยเป็นหลักการที่เราเรียกว่าเป็นความจริงที่สมบูรณ์หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า absolute หมายถึงว่าไม่ว่ากับใครเวลาไหนหรือที่ไหนก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่หลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีข้อจากัดมากกว่าข้อมู ก็คือว่าหลักพิาศา์ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนไปน้าก็จะไม่เป็นน้ำถ้าลดลงจะกลายเป็นน้ำแข็งถ้าเพิ่มขึ้นจะกลายเป็นไอน้าแต่หลักการของพระเจ้าเนี่ยไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหลักการของพระเจ้าเนี่ยยังคงอยู่อันนี้คือหลักที่สำคัญที่พ่มพีเนี่ยต้องการให้ส่งต่อไปยังลูกหลานเพราะว่าเวลาเปลี่ยนไป พระมัทไม่เปลี่ยนพระองค์ยังคงใช้หลักการนี้ได้อยู่อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเรายึดพระมัทในการดําเนินชีวิตแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นอย่างนั้นจ ร, จริงๆหรือเปล่าก็ขอยืนยันว่าพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้พูดย้ําว่าเราต้องสอนทุกที่ทุกโอกาสทุกเวลานะครับหลายครั้ง คริสเตียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศก็ตามเนี่ยมักจะเข้าใจผิดคิดว่าเรื่องการสอนพระมีเป็นหน้าที่ของครูลวีหรือหน้าที่ของนักเทศอย่างผมหรือหน้าที่ของศิทธยาพิบาลหรือนักเทศที่เป็นผู้ประกาศแต่แท้จริงพระพนณาของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปสักครู่นี้เรื่องการสอนพระมีเนี่ยเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ คุณแม่ผมอาจจะไม่ต้องย้ำมากหน่อยแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยต้องย้ำมากหน่อยในสังคมไทยเพราะว่าในสังคมไทยผู้ชายมักจะโยนโอนหรือบอกให้ไปหาแม่ เ, เรื่องออการสอนเกี่ยวกับความเชื่อเนี่ยไปอยู่ที่แม่ส่วนพ่อ น, นั้นออกไปทำมาหากินนะแต่ในสังคมยิวแม้ข้างปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนยิวทำไมเราถึงมีความผีดเพราะคนยิวเนี่ย อาจจะมีอะไรที่คนไทยคิดว่าเป็นพวกงงพวกอะไรเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เด่นชัดมากคือคนยูเนี่ยเขาจะคัดลอกพัมพีส่งต่อด้วยความซื่อสัตย์ไม่เพียงแต่คัดลอกแต่เขาจะสอนลูกหลานของเขาเกี่ยวกับพระญนะิของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ที่นิวยอร์กเนี่ยจะมีธรรมศาลาของคนยิวมากในวันสบาโตเราจะเห็นวันสปาโตคือวันเสาร์เนี่ยเราจะเห็นพ่อเนี่ยพาลูกเล็กๆีอา ย, อออยุน้อยๆเนี่ยไปที่ธรมารมศาลา และพ่อเนี่ยจะเป็นคนสอนเกี่ยวพับพระของพระเจ้าให้กับลูกซึ่งเป็นรูปแบบที่คนยิวเนี่ยรักษามาหลายพันปีนะเรื่องการสอนลูกจากเจเนเรชันหรือยุคหนึ่งชั่วยุคหนึ่งหรือรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งในพระเจ้ของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปเนี่ยเราจะพบว่าพง์ได้บอกกับโมเสสหรือชนชาติอิสราเอลให้พวกเขาเนี่ยสอน ต่อไปยังลูกหลานเนี่ยพวกเขาจะต้องอสอนอยังไงครับในที่นี้บอกว่าจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านั้นเมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้านเดินอยู่ตามทางนะหมายความว่าไงหมายความว่าให้สอนทุกที่ไม่ว่าอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านลาขับรถไปเที่ยวด้วยกันก็จะพูดเรื่องราวของพระเจ้าอยู่เสมอ นะครับนอกจากนั้นยังบอกว่าให้สอนทุกเวลาก็คือสอนทั้งเวลาไงนอนลงหรือลุกขึ้นนอนลงก็หมายถึงว่าก่อนนอนลุกขึ้นก็หมายถึงว่ า, ม า, วาเมื่อตื่นนะฮะประสบการณ์ส่วนตัวของผมก็อยากจะแบ่งปันสั้นๆนิดนึงลูกผมตอนผมมีลูกชายสองคนแต่ว่ามีลูกชายคนเล็กที่มีบุคลิกลักษณะแตกต่า ง, งพี่ชายก็ะจะเป็นคนที่อาจจะดือ้อหรือว่ามีอะไรเป็นตวัตวของตัวเองมากกว่าพี่ชาย เขาเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยเขาชื่อว่าส่งเสริมแต่ว่าครูที่สอนเนสเซอรี่ของเขาอ่ะมาบอกกับคุณพ่อและคุณแม่บอกว่าคุณพ่อขอเปลี่ยนชื่อลูกชายหน่อยได้ไหมก็ถามว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรเขาบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นชื่อว่าเด็กชายลีลานะตั้งแต่เด็กเนี่ยลีลาเยอะ ลูกคนนี้เนี่ยเป็นลูกที่เป็นนักสแสดงก็ว่าได้แต่เขาไม่ได้มีอาชีพนักสแสดงแต่ว่าตอนเด็กเนี่ยอบอกว่าร้องไห้เขาก็มีน้ําตาไหลออกมาได้เลยแล้วพอบอกว่าหัวเราะเขาจะหัวเราะแต่เดี๋ยวนี้คงทําไม่ได้แล้วตอนเด็กก็ไม่รู้ว่าทําได้ยังไงแต่ก็ถูกคุณครูว่าเป็นเด็กชายลีลาแล้วเวลาเขาเล่นละครเนี่ยหรือพูดแบบภาษาชาวบ้านคืออ่ำเนี่ยก็ยังอำ่ำทุกวันนี้ยังอ่ำพ่อแม่ได้นะฮะ แ, แม่นี่จะไวกว่าผมนิดหน่อยเพราะแม่นี่เลี้ยงเขาอย่างใกล้ชิดวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยอสองปีละก็ถูกลุกอําสองครั้งแต่แม่จะวัยหน่อยแม่จะรู้ว่าด้วยความที่เขาพูดอย่างเนียนๆมากเลยพ่อแม่ก็เชื่อแต่พอพูดไปสักพังแม่ก็รู้ละนี่มันต้องมีลูกเล่นอีกละก็เป็นบุคลิกนิสัยประจําตัวของเขา แต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าการสอนเนี่ยมีความหมายมากคือสอนทุกเวลามีอยู่คืนหนึ่งออตอ น, น, นเข้ายุบประมาณสิบสองเน่ยออตอนนั้นเราก็ต่างคนต่างแยกห้องกันคนละห้องออผมกับภรรยากำลังจนอนแล้วปิดไฟแล้วด้วยซ้าไปแล้วก็มีข้อประตูก็ลุกมาข้อประตูถามว่ามีอะไรล่ะก็มีเสียงอือๆเหมือนกับเสียงร้องไห้ เราก็เอ๊มีอะไรวันนี้ทั้งวันไม่เห็นหน้ามีอะไรเลยเสร็จแล้วเขาก็เข้ามาในห้องมาถามว่าลูกเป็นอะไรเขาบอกว่า mm hmm. กลัวตกนรกกลัวตลกลรกเราก็เลยต้องมาคุยกันก็ให้เขามานั่งคุยกับเราในห้องนอนแล้วก็ในเวลานั้นก็เป็นโอกาสที่ผมที่เป็นพ่อได้มีโอกาสพูดถึงข่าวประเสริฐความจริงเขาไปเรียนลวีเขาก็ไปอะไรมาเยอะแยะแล้วละ่ะก็ไปร่วมค่ายมาแล้วลแต่วันนั้นเนี่ย ก็เป็นโอกาสที่สาหรับสูวนตัวถือว่าสําคัญมากเพราะว่าไม่ค่อยมีพ่อทุกคนจะนําลูกรับเชื่อแต่นั้นก็เป็นโอกาสของผมที่ได้นําลูกรับเชื่อทั้งที่เคยนําคนอื่นรับเชื่อมากมายแต่ ว, ว่าการนําลูกตัวเองมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ด้วยการอธิษฐานาสารภาพบาปแล้วก็ต้อนรับพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาได้ทําร่วมกับเราสองคนคือพ่อแม่กับลูกเนี่ยได้ได้อธิษฐานด้วยกันนันเป็น ความฝังใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ให้โอกาสเราที่เป็นพ่อที่จริงๆแล้วเราประกาศเรื่องเทศนาเนี่ยมันเรื่องง่ายแต่จะพูดกับลูกมันไม่ง่ายแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้พูดคุยเขาเ อ, อ, อยู่ตลอดเวลาทําให้โอกาสเมื่อมาถึงเราก็รู้สึกเรามีโอกาสที่จะพูดกับเขาอย่างละเอียดนะครับนอกจานั้นในวัมพียังพูดถึงการที่ จงเอาถ้อยคำเหล่านี้ไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสําคัญนะผูกหรือพันไว้ถ้าเราไปดูภาพถ่ายหรือไปที่ประเทศเซลเลยเห็นว่าที่กําแพงร้องไห้คนยิวเนี่ยเขาจะใส่ชุดสีขาวมีผ้าคุมแล้วก็มีม่วงแล้วก็เขาจะเอาเอาเป็นหนังนะฮะสีดำนะพันแขนถ้าเราไปประเทศเซลก็จะพันก็ทําตามเพราะมีตอนนี้แป๊ะเลยแต่แน่นอนการตีความหมายก็มีแบบตีตามตวัวอักษรแล้วก็ตีตามความหมายถ้าผมจะ พูดถึงตอนนี้ผมก็อยากจะบอกว่าการที่ผูกไว้ที่มือเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะอธิบายกับเราอีกระดับหนึ่งก็คือในการนํามาใช้ไม่ให้ไปคิดเสียงไม่ให้ต้องไปพันแขนไม่เอาข้อมืีมาพันแขนนะแต่ความหมายที่ผมคิดว่าน่าจะมาใช้ในยุคของเรานี้ได้อย่างชัดเจนก็คือขอให้เรามีพ้อมือติดตัวติดมืออยู่ตลอดเวลานะอาจารย์ธงชัยท่านได้พูดถึงว่าช่วงนี้ท่านกําลังรณรงค์ก็คือว่ารณรงค์ให้สมาชิกเนี่ยมีพ้อมือ ติดตัวอย่างน้อยหนึ่งเล่มแล้วหรือไม่ก็ครอบครัวอย่างน้อยเนี่ยมีพ่อพีหนึ่งเล่มอยู่ที่บ้านและอีกหนึ่งเล่มเนี่ยอยู่ในรถเพราะว่าเดี๋ยวนี้การเดินทางมันรถติดมากเพราะฉะนั้นในรถเนี่ยบางครั้งเราก็สามารถเปิดพ่อพีอ่านหรือสนทนาธรรมกันได้ในรถขณะที่รถกาลังติดขัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในทีน่นี้หมายความว่าให้เราเนี่ยพร้อมอยู่เสมอที่จะพูดพระยานะของพระเจ้าหรือสนทนาเรื่องราวเกี่ยวพระเจ้าได้ เลอันหนึ่งในนี้บอกว่าและคาดไว้ที่หน้าผากคนยูครับเขาก็ทำตามพมพีตอนนี้ตามตัวอักษรเป๊ะเลยเขาเอากล่องหนังนะฮะสีดำแล้วก็ขนาดประมาณแค่นี้เองนะฮะแล้วเขาจะเขียนข้อความพระธรรมสุดีบทที่6ข้อ6ถึงข้อ8หรือข้อสี่ถึงข้อ9กัน็แล้วแต่นะฮะเขียนตัวเล็กๆแล้วใส่ไว้แต่เขาไม่ได้แกะออกมาอ่านเพราะว่าอ่านไม่ออกมันตัวมันเล็กมาก แต่เขาพูดตามพมพีเนี่ยพมพีตอนเนี้ยพูดยังไงเขาก็ทำงั้นแล้วก็ฆาดไว้ที่ศีรษะที่หว่างคิ้วเนี่ยเราแปลเป็นไทยเราเรียกว่ากลังกรังพระธรรมนะที่ที่เห็นคนยูทําไว้เนี่ยโดยที่เขาอาจจะไม่ได้เปิดกล่องนี้เลยแต่จริงๆคนยูเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่อ่านพมพีนะครับถ้าเราไปที่กําแพงร้องไห้เราจะเห็นว่าคนยูนอนกจากจะประงกศีรษะแล้วเนี่ยเขาก็จะมีพมพีภาษาฮิบูเนี่ย วางอยู่เป็นเป็นเป็นแบบเป็นเล่มก็มีแบบเป็นม้วนก็มีอยู่ในกล่องน ะ, ะแล้วก็เปิดฟ้าออกมาแต่นั่นเป็นการตีความหมายตามตัวอักษรน ะ, ะแต่ถ้าถามว่าแล้วเราอะ่ะจะมาประยุกต์ใช้ตรงนี้ไงเราคงไม่เอามาติดไว้ที่ศีรษะเราไม่เอาเพ่อพีเล่มให ญ, ใหญ่มาติดไว้ที่ศีรษะแต่ความหมายก็คือว่าเมื่อเราสนทนาธรรมเนี่ยการที่พูดถึงการไว้ที่หว่างคิ้วเนี่ยถ้าการสื่อสารเราพบว่าการสื่อสารเนี่ยมีอยู่ อย่างน้อย3ระดับด้วยกันการสื่อสารด้วยคําพูดคอนเทนต์เนื้อหาที่ออกมาเหมือนกันบของผมมุงพูดอยู่แต่อีกอันหนึ่งก็คือน้ําเสียงการสื่อสารเนี่ยมีเนื้อหาที่พูดออกมามีน้ําเสียงและอันนี้สําคัญมากก็คือท่าทางหรือภาษากายซึ่งไอ้คำพูดเนี่ยมีน้ําหนักน้อยมากแต่ว่าส่วนที่มีน้ําหนักมากคือภาษากาย ภาษากายเนี่ยสำหรับเราที่พูดได้ฟังได้เห็นได้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยสาคัญแต่มีกลุ่มคนหนึ่งที่อยู่ในโลกเนี่ยคือคนหูหนวกคนหูหนวกเนี่ยตาไม่บอดคนหูหนวกเนี่ยเป็นคนที่เราเดินตามท้องถนนเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกเขาเป็นคนหูหนวกเพราะว่าหูเขามีใบหูเหมือนกับเรามีช่องหูเหมือนกับเราแต่เราไม่รู้ว่เขาได้ยินหรือไม่ได้ยินแต่ถ้าเขาสังเกตว่าอยากจะรู้ว่าคนไหนเป็นคนใบ้หรือเปล่าเนี่ย ปัจจุบันเนียคนใบ้เทคโนโลยีก้าวหน้ามากถ้าเราเห็นบนรถไฟฟ้ามีคนบางคนเนี่ยอยู่ที่มือถือแล้วก็เอานี้ส่องแล้วก็เอามือแล้วก็ทำอย่างนี้ก็ขอยรู้ว่าคนเหล่านั้นคือคนหูหนวนที่เขากำลังใช้ภาษามือกับอีกคนหนึ่งที่อยู่มือถือที่อยู่ไกลๆก็คือพวกเราใช้ l ล n e ใช้อะไรของเขาก็มีแอปของเขาที่จะ เป็นวิดีโอแชทที่สามารถสื่อโดยไม่มีเสียงแต่ว่าท่าทางสื่อสารกันได้ปัจจุบันคนที่ใช้ภาษามือกำลังเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญและคนเหล่านี้การสื่อสารของเขาแตกต่างกับพวกเราก็คือไม่ใช่ใ้เสียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้ท่าทางแล้วก็สีหน้าแล้วก็ดวงตาเมื่อสมาคมเริ่มการแปลพมพี เ, เมื่อประมาณปปีที่แล้วเนี่ย เราก็ปั้มสู้ ก, กับการแปลภาษามือมากเลยแล้วเมื่อมีผู้เชี่ยวชาญมาดูเขาบอกว่าใช้ไม่ได้สาเหตุที่ใช้ไม่ได้เพราะว่าคนที่ทําท่าทางเนี่ยต้องอาศัยสคริปที่อีกคนหนึ่งเขียนแลว้วอยู่ทางนั้นน่ะแล้สายตาเขาเวลาเขาทําท่าทางประกอบนี้เขาจะต้องมองมองไปที่สคริปอยู่ตลอดเวลาแล้วความหมายมันก็ผิดเพราะว่าอะไรภาษามือเนี่ยต้องอาศัยแววตาอาศัยดวงตาเมื่อถ้าคุณทําตาว่องแวง่ง คนก็เข้าใจว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นดังนั้นการสื่อสารของภาษามือเนี่ยจะต้องมองที่กล้องแล้วก็หมุนตัวหรือว่ายกไม้ยกมือหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ดวงตาเนี่ยเป็นสั ญ, ญลักษณ์อันหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้คนอ่านเนี่ยเข้าใจว่าคุณกําลังพูดเรื่องอะไรดังนั้นภาษากายเนี่ยมีความหมายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยคนเรามักจะสื่อสารกันด้วยลาย นะแล้วบางคนเรานั่งกันอยู่ในคร อ, อบครัวก็คุยกันไปก็ดูลายไปด้วยคนก็คุยไปด้วยเดี๋ยวนี้เราสื่อสารโดยไม่มองหน้ากันเราสื่อสารโดยการาพูดไปแต่ก็กําลังดูลายกําลังพิมพ์อะไรบางอย่างอยู่แล้วก็ไม่ได้สนใจนะอย่างเช่นภรรยาอาจจะถามสามีว่ า, าชุดนี้สวยไหมสามีก็ตอบโดยไม่ต้องหันไปเลยคงจะสวยมั้ง ถ้าความสัมพันธ์แบบนี้เราคิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนเป็นความสัมพันธ์ที่สื่อสารแบบไหนเป็นการสื่อสารที่จริงจังหรือเป็นการสื่อสารแบบขอไปทีเรากำังให้ความสําคัญกับคนที่อยู่ห่างไกลแต่คนที่อยู่ใกล้ตัวเราเรากลับไม่สนใจอันนี้คือการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในพระคัรรมภีร์จึงได้บอกว่าเราต้องมีพจน์ของพระเจ้ า, ยาอยู่ที่หว่างคิ้วหมายความว่าอะไรเมื่อเราจะสอนลูกเราต้องมองหน้าเขา เราต้องคุยกับเขาถ้าเราสนใจใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ไม่ไม่หันหน้าเขาหากันเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่มีคุณภาพต่ำมากแต่พระคุณของพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราจะสอนลูกของเราหรือสอนคนทีเ่เราต้องการจะสื่อสารกับเขาเนี่ยเราต้องมองหน้าเขาตากับตาต้องออถึงกันได้เพราะว่ามันมีภาษามากกว่าคำพูดที่จะสื่อกับอีกคนหนึ่ง นอกจากการสอนแบบตัวต่อ ต, ต, ตัวแล้วพ่อผียังพูดถึงให้มีไว้ที่เสาเรือนไว้ที่ประตูหมายความว่าไงเราต้องให้พิญีน่าของพระเจ้าเนี่ยอยู่รอบสร้างบรรยากาศในครอบครัวให้มีพิธีน่ของพระเจ้าอยู่ทั่วไปหมดปัจจุบันเราคงไม่ต้องไปติดที่ประตูบ้านเสมอไปเดี๋ยวนี้ตู้เย็นฮนะเรามีไอ้แม่เหล็กที่จะไปติดข้อความในตู้เย็นได้เราสามารถเขียนพ่อผีไว้หน้ากระจก เราสามารถเขียนข้อคามพีไว้ในห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นก็ได้แต่อย่าเขียนไว้เฉยๆอย่าเป็นเพียงเครื่องประดับมีหลายคนรวมทั้งผมด้วยมักจะเอาข้อคามพีเป็นสิ่งที่ประดับแต่สิ่งเหล่านั้นถ้าประดับไว้นานโดยไม่เปลี่ยนเลยนะเนี่ยไอข้อความที่เขียนไว้นี่มันจะไม่มีความหมายนะถ้าจะวางก็ต้องขยันเปลี่ยนหัวข้อด้วยนะครับก็หวังว่าเทคโนโลยีไอโทรศัพท์มือถือมันก็มีประโยชน์นะครับแต่อย่าให้มันกลายมาเป็นอุปสรรค ขวางกั้นความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดแต่ใช้มันให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสารยามจำเป็นผมก็ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยสื่อสารกับลูกชายสองคนประโยชน์ของมันก็คือว่าบางครั้งเนี่ยผมอยู่ที่ทำงานภรรยาอยู่ที่บ้านลูกคนเล็กอยู่ที่เพนซิลเวเนียแล้วก็ลูกคนโตอยู่ที่บอสตันเราสี่คนเนี่ยสามารถคุยกันได้โดยผ่านไลน์แชทแล้วคุยกัน มันก็มีประโยชน์ก็คือเป็นประโยชน์ของการสื่อสารในกรณีที่อยู่ไกลกันแต่ถ้าอยู่ใกล้กันก็คุยจะพูดกันแบบหน้าต่อหน้านะเพราะฉะนั้นการสื่อสารจึงไม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้องเป็นรูปแบบเดียวแต่ว่าสื่อสารที่ดีที่สุดถ้าเป็นไม่ได้ก็คือการที่เราได้คุยกันหน้าต่อหน้าอีกสิ่งหนึ่งที่สาคัญก็คือว่าหลายครั้งเมื่อเรา ได้ฟังเรื่องนี้แล้วเราก็อยากจะทําตามที่นักของพระเจ้าจะไปสอนลูกแต่ลูกก็อาจจะไม่ฟังเราเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยให้เวลาลูกเลยคุณพ่อจะสอนลูกได้ดีหรือลูกจะยอมฟังพ่ อ, ก, อ, อก็ต่อเมื่อคุณพ่อเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกของตัวเอง ในหนังสือเล่มนี้นะที่คิดจัด ก, ก็มีจำน่ายนะครับได้บอกเราไว้ว่าเราไม่สามารถสอนความจริงได้จนกระทั่งเรามีการพัฒนาขั้นแรกของสัมพันธ์ที่ดีดงนั้นหนังสือเล่มนี้มีพูดถึงกฎของพ่อแมีที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่บอกเราจะสอนกฎนี้กับลูกของเราไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขางนั้นถ้าเลือกระหว่างกฎกับความสัมพันธ์อะไรมาก่อน คนทั่วไปมักจะตอบว่าต้องเอากฎสิอย่าเอาเรื่องความสัมพันธ์แต่หนังสือเล่มนี้ได้ให้คําแนะนําเราว่าถ้าเราจะสนนากับลูกเนี่ยเขาจะฟังเราได้ไงถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์กับเขาในหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงว่าวัยรุ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในบางประเทศแม้กรั่งฟิลิปปินเนี่ยวัยรุ่นได้พูดบอกว่าพ่อเนี่ยไม่เคยมีเวลาให้กับเขาเลยเขาไม่เคยคุยกับ พ่อเขาเลยเขาไม่เคยทําสิ่งหมายถึงคุณพ่อไม่เคยทําบางสิ่งบางอย่างให้กับเขาเลยแล้วที่น่าตกใจก็คือว่าวัยรุ่นจากครอบครัวในคริสจักรเนี่ยจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งพูดว่าพวกเขาไม่คุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวกับคุณพ่อเลยครึ่งหนึ่งนะน่าตกใจนะครทั้งที่คริสจักรเรามีครอบครัวมาอยู่ด้วยกันนะ แล้วถ้าเราอยากจะสร้างความสัมพันธ์ในเมื่อเราก็อยากจะสอนสิ่งที่ดีให้กับลูกแต่ถ้าเราไม่สร้างความสัมพันธ์ก่อนลูกก็จะไม่ฟังเราแล้วเราจะสร้างความสัมพันธ์กับลูกได้อย่างไงในนี้บอกว่าเราจะสร้างสัมพันธ์กับลูกได้เมื่อเราให้เวลากับลูกเรายินดีคุยกับลูกเรายอมรับลูกอย่างที่เขาเป็นการให้เวลาเนี่ย ในสมัยนี้ก็ยากมากเพราะเราต้องทำงานแต่เช้ากับมืดหลายคนพ่อไปทำงานแล้วลูกยังไม่ตื่นเลยนะแต่โดยพระคุณพระเจ้าเราก็คงต้องหาทางออกของผมเองเนี่ยก็มีประสบการณ์บางอย่างก็คือว่าที่ทำงานเนี่ยผมไกลโรงเรียนของลูกของผมเนี่ยใกล้จริงๆแล้วข้างบ้านของผมเนี่ยเป็นคุณครูที่สอนที่โรงเรียนลูกผมสามารถฝากลู่งเนี่ยไปกับคุณครูผมก็จะประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งเงินไม่ต้อง ออมไปนิดหนึ่งนะแต่ว่าเมื่อคุยกับลูกลู ก, กบอกแม่เอาอ่ะจะให้ป้าพาไปส่งไม่ใช่ตอนเด็กฮะเราก็ต้องส่งเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาจบระดับไฮสคูลก็ใช้เวลาหลายปีถ้าคิดในทางเศรษฐกิจแล้วก็รู้สึกโอ้โหมันสิ้นเปลืองมันใช้เงินอย่างไม่ชาญฉลาดใช้เวลาอย่างไม่ชาญฉลาดแต่เมื่อกลับมาย้อนคิดแล้วก็คิดว่าการตัดสินใจครั้งนั้นน่ะถูกต้องก็คือเราไปส่งลูกเพราะว่าตอนที่เราไปส่งเนี่ย เขามีเวลาคุยกับเราในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องความเชื่อเรื่องปัญหาของเขาเรื่องเพื่อนของเขาเรื่องทําการบ้านว่าเออทำไมนะเพื่อนของเขาอ่ะลอกการบ้านกันแล้วเขาจะลอกไม่ได้ก็เลยบอกว่าพูดคําพูดกับเขาเล่นๆสูงๆว่าถ้าเห็นคนกินขี้ลูกจะกินตามไหม บางทีก็ฟังแล้วมันเหมือ น, น, นกับรุนแรงแต่การจะสื่อเขาว่าเราไม่ต้องทำตามคนอื่นทุกอย่างแล้วก็สอนเขาอีกอย่างว่าโกหกใครได้ก็อย่ากโกหกตัวเองความหมายก็คือว่าถ้าลูกไปออลอกการบ้านของเพื่อนคุณครูไม่รู้เพราะคุณครูไม่เห็นคุณครูให้คะแนนแต่ลูกรู้แต่เวลาทำสอบจริง่ ลูกก็จะเจอปัญหาแล้วละ่ะว่าตอนที่ลูกร้องลูกก็ไม่เข้าใจลูกก็ทําไปแต่เวลาถึงเวลาสอบจริงๆลูกก็ไม่ได้นั่นก็คือเวลาที่เราจะได้สื่อสารกับลูกอย่างเต็มที่นั่นก็คือถามว่าคุ้มค่าไหมเวลานั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่แบบนี้เวลาผ่านไปแล้วก็คิดว่าคุ้มมากแล้วสหรับคนที่กําลังลังเลว่าจะใช้เวลาไงกับลูกก็อยากจะหนุนใจว่าการใช้เวลากับลูกทุกวันถึงแม้ว่าต้อง ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องตื่นเช้าขึ้นเพื่อไปทํางานทันเพราะต้องไปแวะส่งลูกนิดนึงก็คุ้มค่าเพราะเราได้ชีวิตของลูกเรามายืนยาวน ะ, ะและการยอมรับลูกของเราอย่างที่เขาเป็นก็เป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆแล้วภรรยาผมบอกว่าอย่างมีลูกคนเดียวที่บอกว่าอย่างมีลูกคนเดียวเพราะกลัวว่าไอ้ลูกคนที่สองเนี่ยเดี๋ยวเกิดมาเนี่ยไม่เหมือนลูกคนแรกจะเป็นยังไงแล้วมันไม่เหมือนจริงๆ เราไม่สามารถเลือกลูกได้เลือกภรรยาเลือกสามีได้แต่เลือกลูกไม่ได้แต่เราก็ยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นนิสัยสองคนไม่เหมือนกันลูกคนที่สองเนี่ยรับยากกว่าคนแรกมากมายทีเดียวแต่โดยพระคุณพระเจ้าเราทุ่มเทเวลากับเขาแล้วก็ให้เข า, เารับรู้ว่าเรารับเขาอย่างที่เขาเป็นในที่สุดเมื่อเขาโตม า, อาตอนที่เป็นเด็กเนี่ยปัญหาเยอะพูดง่ายสร้างปัญหาให้กับพ่อแม่เยอะแต่โตขึ้นมา เขาเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือก็คือคุ้มค่าที่ให้เวลากับเขาก็เลยอยากกระ น, นุนใจเราทั้งหลายที่กำลังคิดอยู่ว่าจะทำไงกับลูกก็อยากจะ บ, บอกว่าวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือยอมรับเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขการที่พ่อแม่ยอมรับลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นจะทำให้ลูกรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยการที่เราได้ชื่นชมลูกจะทาให้เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษ ลูกชายของผมคนเล็กเนี่ยมีบุคลิกพิเศษมากแล้วก็มีปัญหามากแต่ว่าคุณแม่นะทั้งที่เป็นผู้หญิงเนี่ยไปเชียร์ฟุตบอลเพราะเขาเป็นคนที่ชอบฟุตบอลมากคุณแม่เนี่ยเชียร์อย่างสุดหัวใจตะโกนเรียกชื่อลูกอยู่บ่อยๆแล้วพอเขาถึงไฮสคูลเนี่ยแม่คนอื่นไม่ไปแล้วแต่ภรรยาผมเนี่ยยังไปเชียร์ลูกแล้วก็ ก็จะตะโกนชื่อลูกเสียงดังมากเสร็จแล้วลูกก็เดิน ม, มาที่ข้างสนามบอกแม่ว่าแม่เบาๆหน่อยแม่ก็เลยถามลูกว่าวจะให้แม่มาเชียร์ไหมลูกก็บอกมามาแต่เบาๆหน่อยไอ้เขา <laughs> ก็คือเขาเป็นคนพิเศษสำหรับพ่อแม่เขาเป็นคนพิเศษสำหรับแม่ถึงแม้ว่าเขาจะาย แต่เขายัางต้องการแม่มาเฉียะเพราะว่าแม่ถือว่าเขาเป็นคนพิเศษคนอื่นจะยิงได้ก็ไม่สําคัญเท่ากับลูกของตัวเองยิงได้ดังนั้นการที่เราชื่นชมลูกในความสําเร็จเล็กๆน้อยๆเรื่องอะไรก็ตามที่เขาโดดเด่นเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษเมื่อเราแสดงความเอ็นดูต่อลูกของเราเขาจะรู้ว่าเขาเป็นที่รักเด็กวัยรุ่นมีปัญหามากมายเพราะว่าหลายคน ต้องปั้มสู้ดิ้นลนเพื่อจะให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่หลายคนต้องคิดว่าต้องเรียนเก่งถึงพ่อแม่ยอมรับหลายคนคิดว่าต้องทําตัวให้ซ่าซจึงเป็นที่ยอมรับของเพื่อนอหลายคนคิดว่าต้องกินเหล้าสุปรีเที่ยวผู้หญิงจึงเป็นที่ยอมรับสิ่งเหล่านี้เป็นการบิดผันของสังคมปัจจุบันแต่เราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเนี่ยสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยการแสดง ความรักด้วยการกอดด้วยการให้ความสนใจลูกเป็นไงบ้างสิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกของเราเนี่ยมีความมั่นคงไม่ต้องไปติดยาเสพติดหรือไปทาสิ่งอื่นสิ่งใดแล้วก็โดยเพราะอย่างยิ่งเรามีพระเนของพระเจ้าก็จะเป็นยาที่เสริมให้เขาเข้มแข็งขึ้นแล้วเมื่อเราให้เวลากับลูกของเราเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนสาคัญ หลายครั้งเราคิดว่าการที่คนหนึ่งคนใดเป็นคนสําคัญต้องมีคนตบมือเวลาขึ้นไปบนเวทีแต่การที่คนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าเขาสําคัญเนี่ยเมื่อมีคนที่รักเขาให้เวลากับเขาถ้าเกิดลูกของเรามาพูดกับเราแล้วเราบอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งพ่อกาลังยุ่งรู้ไปที่ไหนก็ไปไกลๆแม่กํบบาลังทําครัวอยู่อย่ามายุ่งถ้าเราพูดสิ่งอย่างนี้บ่อยๆ อ, อีกไม่นาน เมื่อถึงวัยที่เราต้องการลูกจะเรียกลูกมาก็ไม่มาแล้วเพราะเวลาที่เขาต้องการเราเราไม่ได้ให้เวลากับเขาเด็กเนี่ยเป็นเรื่องแปลกมากเลยเขาต้องการเวลากับพ่อแม่มากกว่าต้องการจากใครแล้วก็การพูดถึงพ่มพเนี่ยเรื่องเล่าในพ่มพเนี่ยเราคิดว่าเด็กไม่ชอบอะไรซ้าๆจะเบื่อแต่ถ้าเรา ได้ศึกษากันจริงๆแล้วจะเห็นว่าเด็กเนี่ยไม่เบื่อง่ายหรอกคนที่เบื่อง่ายคือเราที่เป็นผู้ใหญ่เด็กเล็กเนี่ยผมจำได้ลูกของผมดูสมัยก่อนเป็นวีดีโอคาสเซ็ตนะฮะลูกคนโตเนี่ยดูแบมบี้นะรู้จักแบมบี้เนขาดูเป็นเป็นเป็นร้อยส0ครั้งในชีวิตของเขาจะดูอะไรเขาก็จะดูเราก็เอาเข้าไปหรื อ, อคุณแม่ คือพยายามผมเล่าเรื่องเนี่ยก็จะเล่าเรื่องซ้ําๆให้กับลูกฟังลูกก็ยัางไงากัฟังและสิ่งที่แปลกก็คือว่าลูกของเราเนี่ยเวลาแม่เล่าผิดก็รู้อา้าวลูเล่ายังไงจะให้เราก็อยากจะให้เล่าอีกก็คือเขาสามารถบอกว่ามันควรจะเป็นไงแต่เขาอยากจะได้ยินจากแม่ของเขาที่จะพูดเรื่องนั้นดงั้นการเล่าเรื่องก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกของเราและลูกชายคนเล็กเนี่ย ه, เวลาเขาไม่ค่อยเชื่อฟังเนี่ยบางทียกตัวอย่างเช่นกลับมาบ้านแล้วเนี่ยถึงเวลากินข้าวเราก็เรียกลูกบอกว่ากินข้าวลูกก็เงียบกินข้าวก็เงียบเรียกชื่อให้กินข้าวก็เงียบแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราจับเคล็ดลับได้เป็นเหมือนเมจิกเวิร์ดคือบอก Family Time ์ปุ๊บวิ่งมาปุ๊บเลยก็แสดงว่าอะไรเด็กเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเชื่อฟังเราแต่เขาต้องการ เวลาในครอบครัวเขาอยา ก, กมีเวลาเพราะเวลาครอบครัวหมายถึงว่าเขารู้ว่าเราก็สนใจเขาเขาก็สนใจเรามีการสื่อสารกันเพราะฉะั้นถ้าใครคิดว่าเด็กไม่สนใจหรือเบื่อง่ายจริงๆแล้วตรงกันข้ามเด็กไม่เบื่อคนที่ขี้เบื่อคือผู้ใหญ่และทำให้เด็กโตขึ้นขายความอบอุ่นและขายความรักพรมพีถึงได้บอกว่าสอนทุกที่ทุกเวลา เด็กเนี่ยเขาต้องการเราทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่อย่าผักภาระการสนทนาธรรมเนี่ยให้กับครูลวีอย่าพักภาระการเลี้ยงดูจิตวิญญาณให้กับสิทยาพิบาลหรือโรงเรียนแต่ผู้ที่จะทำหน้าที่อภิบาลลูกหลานจริงๆคือตัวเราเองคุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่ที่พระเจ้าให้ไว้ถ้าไม่ให้เป็นหน้าที่พ่อแม่นะ พระเจ้าเนะี่ยให้เด็กคนนั้นไปเกิดกับครอบครัวอื่นเร า, าเลือกไม่ได้แต่พระเจ้าเลือกเราให้ดูแลเด็กคนนั้นเพราะว่าพระเจ้าให้เกิดในครอบครัวเราแล้วสิ่งที่แปลกมาอาจารย์ก็คือลูกสองคนไม่มีใครเหมือนกันเลยแต่พระเจ้าต้องการให้เราเลี้ยงลูกที่ไม่เหมือนกันด้วยพระนตของพระเจ้าก็อยากจะหนุนใจว่าถ้าเราไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับลูกนะเอาเรื่องในพระพีร์มาพูดกับเขา พ่อพีมีเรื่องเยอะเป็นร้อยๆเรื่องพูดตลอดชีวิตก็ไม่จบแล้วถ้าเกิดไม่รู้จะคุยอะไรกับลูกก็ลองลองเปิดพ่อ พ, อพีมาทั้งเรื่องหนึ่งแล้วก็คุยกับเขาแล้วเขาก็จะมีคําถามนะอย่าเป็นการสื่อสารข้างเดียวแต่สื่อสารสองทางให้เขาพูดบางสิ่งบางอย่างเมื่อเราอ่านหรือเล่าเรื่องให้ฟังลูกคิดยังไงลูกคิดว่าลูกเหมือนใครเรามีอะไรวิธีที่จะสื่อสารเขามากมายและพระนามของพระเจ้า ได้ยืนยันแล้วก็ยังมีคนปฏิบัติอยู่จนทุกวันนี้ก็คือตัวแทนของมนุษยชาติที่ยังทําตามพระเจ้าอยู่อาจจะไม่ครบร้อยเอร์เซแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่มาจากเชื้อสายอยู่เนะี่ยยังทําตามของพระเจ้าทั้งแบบตามตัวหนังสือหมายถึงว่าพันนุนพันนี่แต่ก็ทําตามในทางปฏิบัติก็คือสอนลูกจริงๆริพาลูกแล้วก็อ่านกับลูกจริงๆไม่ใช่เพียงแต่ทําเป็นสัญลักษณ์เฉย เราต้อขอบคุณพวกเขาที่เขายืนยันว่าสิ่งที่พมพีพูดไว้ยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบันนี้ขอเรารุวมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้อย่างยิ่งสูงสุดโมนาขอบคุณพงค์สาหรับความรักเมตตาของพงค์ที่พงศ์ประทานพุทธะของพงค์ให้เพื่อจะช่วยให้ข้างหายเติบโตขึ้นและช่วยให้คนรุ่นต่อๆไปยังได้รับพุทธะของพรงค์เพราะวิธีที่พงศ์บอกเป็นวิธีที่ข้างหลายสามารถทําได้แต่ หลายครั้งข้างหลายไม่ได้ใส่ใจคือการสอนคนรุ่นต่อไปขอพระเจ้าส่งอวยพรผู้ฟังทุกคนที่จะสามารถนำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปปฏิบัติในชีวิตจริงด้วยขอขอบคุณสรรเสริญพองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน